หัวข้อประจำเรื่องใครไม่ได้กรานกถินได้กรานกถินอย่างไรกถินไม่เป็นอันกรานทำสิบหอย่างเกิดพร้อมกับการกรานกถินบุพการมีอะไรเป็นนิทานประโยคมีเหตุเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นนิทานบุพการสงเคราะห์ด้วยธทมเท่าไหร่กถินมีมูลเท่าไหร่ กถินมีอะไรเป็นเบื้องต้นภิกษุผู้ประกอบได้องค์8ควรกรานกถินและไม่ควรกรานกถินภิกษุสมจำพวกกรานกถินไม่ขึ้นและกรานกถินขึ้นการกรานกถินสามอย่างไม่ขึ้นพึงรู้การกรานกถินกับการสวดพึงรู้ปริโพโคธพึงรู้การดอกกถินที่มีสงเป็นใหญ่ พึงรู้การดอกกระถิ่นภายในสีมาพึงรู้การดอกกระถิ่นที่เกิดขึ้นด้วยกันที่ดับด้วยกัน